นอนเราก็ระ ล, ลึกรู้เหมือนกับยืนเหมือนกับ น, นั่งแบบนี้ระ ล, ลึกรู้กายที่กำลังนอนอยู่ระลึกระลึกรู้ไปสักพักหนึ่งถ้าเราเห็นว่าจิตของเราจะพ่ายแพ้เนี่ยมันจะหลับเนี่ยอย่าอยู่ลุกขึ้นทันทีพระพุทธเจ้าท่านใช้คาว่าพึงสลัดตนเองออกจากที่นอนเหมือนกับการสลัดเท้าออกจากหัวงูเหา่าท่านใช้แบบนี้ เวลาเราใช้อายาบทนอนให้พึงสลัดตนเองออกจากที่นอนพอจิตคิดง่วงเวลาใดพึงสลัดตนเองออกจากที่นอนทันทีเหมือนกับการสลัดตนเองออกจากหัวงูเหา่าสลัดอย่างไรสลัดออกจากหัวงูเหา่าอ่ะอัดถักถาท่านขยายก็คือเดินหนีงูไม่อยู่กับงูงูอยู่ตรงนี้เดินหนีไปตรงนู่นนอนอยู่ตรงนี้หนีไปตรงนั้นไม่อยู่ตรงนั้นไม่อยู่ในท่านั้น แล้วเราก็จะไม่หลับกาหนดปรับจิตให้เป็นสมาธิก็เหมือนกันเวลาจิตสงบต้องรู้ตัวเองก่อนนะว่าถ้าสงบมากเกินไปก็พอสงบไปสักระยะหนึ่งพอแล้วพอสงบเนี่ยมันจับอารมณ์เดียวพอเรารู้ว่าสงบพอประมาณจิตบีกาลังแล้วเราก็าหยุดหยุดกําหนดอารมณ์เดียวแล้วต่อจากนั้นก็ระลึกไปในกายต่างๆทําความรู้สึกระลึกไปจริงๆแล้วนั่งนั่งกําหนดเนี่ยนะต่อมาเคยไปนั่งกําหนดเสียงนะ เสียงครั้งแรกเนี่ยเราคิดว่ากําหนดยากเสียงเนี่ยแต่ถ้าเรากําหนดกําหนดทันเนี่ยแล้วลองลองคอยกําหนดเสียงเนี่ยจะมาเป็นระยะอะไรแล้วมันจะมาซ้อนกันจะมาเสียงใกล้เสียงไกลเสียงเสียงดังคล้อยดังแรงเนี่ยมันจะมาเป็นเป็นแต่ละเสียงแต่ละเสียงเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยเราจะเห็นว่าเสียงเนี่ยมาเป็นระยะระยะระยะมามาปรากฏแล้วหมดไปมาปรากฏแล้วหมดไปแล้วเสียงใหม่ๆก็จอนเข้ามาอีกเหมือนกับลูกคลื่นอย่างนี้นเนี่ยบางทีเรานั่งฟังเสียงเนี่ยนั่งฟังเสียงที่เขา คนตกแก่ๆเนี่ยเราสามารถนั่งฟังเสียงได้น <uite> e ั่งฟังเสียงเสียงที่มันมาเป็นคลื่นเนี่ยแล้วก็มันจะมีเสียงนั้นเสียงนี้เสียงนั่นเสียงนี้เสียงใกล้เสียงไกลเนี่ยงัยนเราอยู่นี่มีเสียงไหมขนาดเนี้ยมีหรือเปล่าแล้วเสียงเดียวหรือหลายเสียงมันจะมีหลายเสียงนะจะมีเสียงลมออกจากเครื่องกลับอากาศแล้วก็เสียงก๊อกเสียงแก๊กเสียงอะไรต่างๆเนี่ยขณะเสียงลมออกจากเครื่องปรับอากาศเนี่ยมันจะเป็นเสียงอู้ แล้วมันก็จะมีเสียงแกล้งแสดงว่าเรากําลังใส่ใจในเสียงอู้อยู่พอแกล้งมาเนี่ยเราก็ได้ยินเนี่ยเสียงนั้นปรากฏชัดเมื่อเสียงนั้นปรากฏชัดเราก็ทิ้งเสียงนี้จิตมันไปรู้เสียงนั้นโดยอัตโนมัติเนี่ยแล้วเราก็ตามระลึกระลึกระลึกระลึก <S 2> <S 2> <ม>ขึ้นมาให้เราระลึกรู้ได้หมดวิปัสนาเนี่ยพร้อมที่จะกําหนดอารมณ์ที่มาปรากฏแต่เราจะกําหนดตรงนั้นได้จิตของเราต้องไวพอประมาณ เพะฉะนันจิตของเราจะเข้าไปสู่จุดจุดนั้นได้เราก็าอาศัยอิริยาบถเนี่ยพัฒนาก่อนแต่ใจอิริยาบถเดินที่เราฝึกเดินจงกลมอยู่เนี่ยอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนเนี่ยฝึกให้มากแล้วที่จะมาฝึกให้วันนี้นะทําให้มากเห็นวันนี้ก็คงคงใช้เวลาพอประมาณนะท่นานทักขัมคืนนี้ท่านอาจารย์มาบุญช่วยท่านจะมาบรรยายต่อในเรื่องอิริยาบถ ย, ย่อยอิริยาบถเล็กๆน้อยๆ อ, อิริยาบถ ย, ย่อยเราจะได้ฟังต่อไป มีมีปัญหาก็ขอขอเฉลยปัญหาก่อนนะช่วงต้นๆ น, น, นี่ก็ใครมีปัญหาก็เขียนไว้นะปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอย่างเดียวนะปัญหาอย่างอื่นๆอย่าเพิ่งถามเพราะถามแล้วมันจะให้จิตเราออกไปข้างนอกถามแต่เฉพาะปัญหาในในทางปฏิบัติจิใตใ้สํานึกกับผวังนะตัวเดียวกันหรือหรือไม่นะจิใตใจสํานึกกับผวังแล้วก็เมื่อมีวิริยะและสมาธิมากเกินไปจน เกิดอาการเพลินไปจะมีวิธีการทําอย่างไรเพื่อดับตัวเพลินตับตัวเพลินให้ลดวิริยะหรือสมาธิหรือต้องมีโยนิโสมนสิการอันนี้ก็ให้อธิบายคําสัญญาสังขารวิญญาณอันนี้อยากรู้มากเกินไปนะมาตอบประเด็นนี้ก่อนนะตอบประเด็นที่ว่าเมื่อวิริยะและสมาธิมากเกินไปเนี่ย จนเกิดอาการเพลินจะมีวิธีทําอย่างไรนะเพื่อตัดตัวเพลิน<ม>คือวิริยะถ้าถ้ามากเกินไปเนี่ยนะวิริยะมากเกินไปเนี่ยเราจะรู้ได้ว่าเมื่อวิริยะมากเกินไปหรือไม่มากเนี่ยเรารู้ได้อย่างไรคือประเด็นหลักของเราเนี่ยให้เราเข้าใจว่าไอ้ที่พอดีพอดีคืออะไรก่อนถ้าเราไม่รู้ว่าพอดีคืออะไรเราจะไม่รู้ว่ามากน้อยเป็นอย่างไร คำว่าพอดีในที่นี้เนี่ยวิริยะกับสมาธิพอดีพอดีเนี่ยหมายถึงสติสัมปชัญญะตามระลึกรู้ปัจจุบันธรรมได้โดยปกติเรียกว่าพอดีเดินรู้ได้โดยปกติยืนรู้ได้โดยปกตินั่งรู้ได้โดยปกติรู้ได้โดยสะดวกสบายจิตไม่ตกจากปัจจุบันอารมณ์เรียกว่าพอดี แต่ถ้าเราพยายามแล้วไม่สามารถจะไปรู้ปัจจุบันได้ยกมือขึ้นไม่สามารถตามระลึกรู้ได้ทันวางมือลงไม่สามารถตามระลึกรู้ได้ทันเหยียดออกไปไม่สามารถตามระลึกรู้ได้ทันคู่เข้ามาไม่สามารถตามระลึกรู้ได้ทัน ท, ทั้งที่พยายามอยู่แต่จิตก็ออกไปข้างนอกแบบนี้ท่านเรียกว่าวิริยะเกินพอดีเราไปตั้งใจปรารบ ความเพียรมากเกินไปวิริยะเกินพอดีไปมื่อวิริยะเกินพอดีทําไมก็ปรับจิตให้ไปกําหนดอารมณ์อย่างเดียวเวล า, าตมาที่นอยู่ก็กําหนดลมให้ใจเข้าออกหายใจเข้ารู้สึกหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกหายใจออกยาวก็รู้สึกกำหนดลมหายใจไปสักระยะหนึ่งจิตก็จะสงบพอจิตสงบจิตเป็นสมาธิคราวนี้สมาธิเกินพอดีเนี่ยจะเป็นอย่างไรอ่ะ สมาธิเกินพอดีก็คือสมาธิมากเกินไปทำให้ใจของเราเนี่ยไม่ยอมไปกำหนดปัจจุบันธรรมปกติเราทำจิตให้เป็นสมาธิเนี่ยเพื่อต้องการให้สมาธิมีกำลังแล้วเอาจิตไปไว้กับปัจจุบันได้สะดวกเท่านั้นเองเรากำหนดสมาธิไปสักพักหนึ่งแล้วเราก็ลองไปกำหนดปัจจุบันดูว่าสะดวกแล้วยังถ้ากำหนดได้สะดวกสบายเราก็ใช้ได้แล้วพอดี ถ้ายังกําหนดไม่ได้จิตยังพล่านอยู่ก็จเจริญสมาธิต่อคราวนี้ทําไมระวังเนี่ยสมาธิมันจะมันจะฉุดจิตเข้าไปเกาะติดอยู่กับอารมณ์แนบแน่นอยู่ทําให้จิตเนี่ยไม่ปล่อยจากอารมณ์แล้วสมาธิเนี่ยมันมีตัวตั ว, ต ว, ตวดึงดูดจิตไอความสงบความเบาเนี่ยมันจะดึงดูดจิตให้จิตเกาะติดอยู่ความสุขความสงบความเบาทําให้เราพอใจเพลิดเลินอยู่ก็เลยทําให้เราเพลินในสมาธิ อันนี้ทำแบบไหนถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยเรานั่งแล้วแก้ไม่ได้มีวิธีเดียวลุกขึ้นเดินจงกรมเดินกลับไปกลับมามันเป็นอิยาบทหยาบพอเป็นอิยาบทหยาบเนี่ยจิตของเราก็จะคลายออกจากสมาธิอันนี้ถ้าจิตคิดไปแล้วกว็เพลินไปในอารมณ์ต่างๆทําแบบไหนใส่ใจก็ใส่ใจไม่ถูกเราก็กําหนดความรู้สึกรู้สึกเพลิน่มีความรู้สึกเพลินอยู่ใส่ใจความรู้สึก พอใส่ใจความรู้สึกและวแอเพลินก็จะหายไปนี่เป็นเป็นเป็นอุบายวิธีะจิตไปสํานึกกับผวังคจิตจิตไปสํานึกเนี่ยนะจริงๆภาษาจิตไปสํานึกเนี่ยไม่มีนะมีแต่ผวังคจิตทะ่นในในในในจิตประมัดนะผวังคจิตหมายถึงจิตที่รักษาพบเป็นจิตที่ไม่รับรู้อารมณ์ปัจจุบันเป็นจิตที่รับรู้อารมณ์เก่าอารมณ์เก่าก็คืออารมณ์ตั้งแต่อดีตภพ เยอะยาวนะเรื่องมันยาวเรื่องพระวังเนี่ยอันนี้จิตจิตใต้สำนึกตามสามัญที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยนะที่ที่เราชอบเรียกกันจิตใต้สำนึกจิตจิตใต้สำนึกเนี่ยเป็นคล้ายๆกับจิตเสบคุณ น, นะจิตเสบคุนพอเรามีเรื่องใดเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นมาเนี่ยเราก็จะมีความรู้สึกตรงนี้ออกมาบอกที่เขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกจิตใต้สำนึกเนี่ยนะ เป็นความรู้สึกที่ที่ออกมาบอกว่าจะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้จะเป็นอย่างนี้ที่เราเข้าใจแล้วเราเรียกจิตใต้สํานึกแต่ภาษาธรรมะตรงนั้นยังยังไม่มีชื่อเรียกนะตรงนั้นไม่มีชื่อเรียกนะว่าเป็นอะไรอันนี้ถ้าถ้าเป็นความรู้สึกแล้วปรากฏการณ์นั้นเป็นของจริงๆนะในภาษาธรรมะเขาเรียกว่าอภิญญาจิตเป็นเหตุการณ์จริงแน่นอนทุกประการเนี่ย เป็นอภิญญาจิตเป็นจิตพิเศษนะแต่ว่าอภิญญาจิตต้องผ่านการฝึกก่อนผ่านการฝึกผ่านการฝึกตามขบวนการการเจริญสมถะและ้วพอมีเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงตามสมมุติที่ชาวโลกเขาสมมุติกันว่าพรุ่งนี้นะรถไซร์จะชนกันที่ท่าพระจันทร์พอถึงวันพรุ่งนี้รถไสรวิ่งไปชนกันที่ท่าพระจันทร์จริงๆอย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่าจริงโดยสมมติที่ชาวโลกเขาสมมุติกัน วันพรุ่งนี้เวลาหกโมงเชา้าเครื่องบินจะไปชนกันกลางอากาศแล้วถึงวันพรุ่งนี้หกโมงเชา้าเครื่องบินก็บินไปชนกันกลางอากาศจริงๆเนี่ยอันนั้นเป็นอภิน ญ, ญาจิตแต่คราวนี้บางคนรู้ได้โดยไม่มีอภิญญาถ้ารู้ได้โดยไม่มีอภิญญาเนี่ยภาษาธรรมะท่านเรียกว่าปุญญะปาะรตโตอิทธิเจโตปริยญาณ น, นะเกิดขึ้นหรืออิทธิเกิดขึ้นโดยบญเก่า แต่ไม่รู้ขนาดไหนนะท่านเลยบอกปริญญาปรัโตอิทิถิแต่เป็นของจริงถ้าเป็นของจริงนะแต่ของเรามันไม่ค่อจริงเนี่ยจริงบ้างเท็จบ้างเนี่ยกัเลยไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบกันนะไม่รู้จะเอาอะไรมาเปรียบเทียบของเรามันจริงจรจริงๆหลอกหลอกบางครั้งก็จริงแต่บางครั้งก็ไม่จริงเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างเชื่อถืออะไรไม่ได้แน่นอนเนี่ยนี่ธรรมาก็วิขยายไว้ขนาดนี้นะไปไปค้นกันต่อนะไม่ไม่นี้ก็สัญญาแต่ว่าจำนะสัญญาเนี่ยจํา สังขารแต่ว่าการปรุงแต่งวิญญาณหมายถึงจิตได้แก่ความรู้สึกทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายทั้นเรียกว่าวิญญาณคำว่าสัญญาเนี่ยหมายถึงความรู้สึกในสมมติบัญญัติเรารู้ว่าเป็นแก้วน้ํารู้สึกว่าเป็นแก้วน้ําเรียกว่ารู้ด้วยสัญญาแล้วก็ถ้ารู้สึกทางตาเมื่อสิ่งนี้ปรากฏเรียกว่าจากักขูวิญญาณถ้า สงสัยว่าน้ำอะไรนะร้อนหรือเย็นน้ำร้อนหรือเย็นสะอาดพอหรือไม่สะอาดพ อ, อ, อน้ำบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์น้ำมียาพิษหรือเปล่าเงี้ยสงสัยอย่างเนี้ยเป็นสังขารการปรุงแต่งเป็นสภาพของสังขารยินดียินร้ายเป็นสังขารชอบใจไม่ชอบใจเป็นสังขารเป็นสภาพงคงคงพอนะไม่มีแล้วนะปัญหานะ มีก็เขียนมานะตอนเย็ยนท่านอาจารย์ท่านจะตอบให้งัน้นวันนี้จะมาได้ได้ใช้เวลาบรรยายมาพอพอสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอให้ท่านผู้ปฏิบัติธรรมทุกท่านนั้นเนี่ยมีจิตใจเข้มแข็งนะฟันฝ่าอุปสรรคที่เกิดขึ้นทุกๆชนิดแล้วก็มีจิตชนะในอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นด้วยแก่นันทิความเพลิดเพลินทีนมิทธความง่วงเหงาเผนอ น, อนนะ แล้วก็กวัวสัทธะความเกียดครานสามารถเอาชนะได้และต่อจากนั้นก็ขอให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญาสามารถรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกทุกท่านทุกท่านเถินเป็นวันที่สี่แล้วใช่ไหมได้ปฏิบัติกันมาพอประมาณแล้วท่านผู้ใด มีข้อสงสัยต่างๆก็จดหมายถามได้นะวันพรุ่งนี้ก็จะเริ่มให้ท่านทั้งหลายมาสอบอารมณ์นะการสอบอารมณ์ก็เป็นการนำเอาเรื่องที่เราได้ปฏิบัติมามีปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งเนี่ยมาบอกอาจารย์ หรือนําเอาประสบการณ์ที่เราปฏิบัติได้มาเนี่ยมาเล่าให้อาจารย์ฟังตามความจริงนะแล้วก็ต่อจากนั้นอาจารย์ท่านก็จะรับฟังข้อมูลถ้าเป็นข้อมูลที่ตรงปฏิบัติไปแล้วควรจะแก้ไขเนี่ยอาจารย์ท่านก็จะแก้ไขให้ถ้าปฏิบัติไปแล้วควรจะเพิ่มอาจารย์ท่านก็จะบอกให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเราก็เก็บเก็บข้อมูลต่างๆไว้ กำหนดถูกกำหนดผิดอย่างไรอย่างไรเนี่ยก็นํานําเอามาบอกที น, นี้ในในเรื่องของการปฏิบัติตามแนวของสติประถานสี่ประการนะท่านพระอาจารย์มาบุญช่วยท่านได้บรรยายในเรื่องสัมปชัญญะสัมปชัญญะสี่ประการไปแล้วในเรื่องสัมปชัญญาบาพัพพะนะเราได้ฟังกันแล้ว อันนี้ก็อยากอยากจะเสริมอีกเล็กน้อยนในเรื่องของขอ ง, ของการกำหนดยๆๆนยนยนยียาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยจริงๆิยาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นเป็นประเด็นที่สำคัญมากนะในในเวลาปฏิบัติธรรมเกี่ยวกับการทำภารกิจเล็กๆน้อยๆเนี่ยเป็นอิิยาบทย่อยหมดการดื่มน้ำการรับประทานอาหารเนี่ยม่ ทราบว่าตอนตอนเรารับประทานอาหารเนี่ยได้กําหนดกันบ้างหรเปล่าอย่างอย่างการรับประทานอาหารเนี่ยเราสามารถเจริญสติ sozusagen. ได้คือเอาเอารมณ์ตรง น, นั้นมากําหนดได้นะเริยาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยเ ร, เราเรนานำเอามากําหนดได้หรือเราจะจะดื่มน้ําเนี่ยพอจิต ค, คิดจะดื่มนม้ําใจของเราจะอยู่ที่ไหนนะการกําหนดเนี่ยเราจะเอาใจไว้ที่ตรงไหน อันนี้การจะดื่มน้ำเนี่ยก็จะต้องเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำการที่จะเอื้อมมือไปหยิบแก้วน้ำมือของเราก็มีสองมือเราเนี่ยจะรู้ว่าจะใช้มือข้างไหนตัวของเราเองเนี่ยเราจะรู้ว่าเราจะใช้มือข้างไหนถ้าเราจะใช้มือใดมือหนึ่งเนี่ยเราจะรู้แล้วใจของเราก็อยู่กับมือข้างนั้นอันนี้พอเราใจไว้กับมือข้างนั้นเนี่ยยกมือขึ้นเนี่ยเราก็จะรู้นะ แล้วก็ต่อจากนั้นเนี่ยเราเราเราเหยียด <Yeah. S 1> มือออกไปเนี่ยนะเหยียดมือออกไปเนี่ยเราก็จะรู้ย่อนมือลงเราก็รู้นะแล้วก็จับเราก็รู้มือที่แตะเวลารู้เนี่ยมือที่ย่อนลงนี่ก็รู้นะมือที่เรากำเข้าเนี่ยเราก็รู้พอแตะสัมผัสเนี่ยเราก็รู้อีกแล้วต่อจากนั้นยกขึ้นมาเนี่ยเราก็รูแ้แล้วโคเข้ามาเราก็รู้นะ ยกขึ้นก็รู้เอาใส่ปากก็รู้ดื่มก็รู้กลืนก็รู้อีกเสร็จสับเรียบร้อยแล้วมือหย่อนลงก็รู้อีกเหยียดออกไปก็รู้อีกแล้วก็หย่อนลงเพื่อจะวางก็รู้อีกเราสามารถจะรู้ได้แล้วต่อจากนั้นเราจะเอามือกลับนะยกมือขึ้นรู้อีกแล้วก็มือของเราคู่เข้ามาก็รู้อีกเห็นไหมเนี่ยสติเกิดเกิดได้นะสติเกิดได้เยอะแยะไปหมดเลย เ ร, เราเราเริ่มฝึกตรงนี้กันบ้างแล้วหรื อ, อยังสองสามวันผ่านไปนียมีไหมมีมีการฝึกตรงนี้บ้างหมต่อจากนี้ไปอยากจะให้ฝึกฝึกตรงนี้นะฝึกอิรยาบทเล็กๆน้อยๆเนี่ยถ้าเราฝึกตรงนี้ได้สติสติของเราเนี่ยจะจะจะดีมากนะใช้อุรยาบทย่อยๆ เ, เนี่ยเราใช้อิรยาบทใหญ่กันมาพอประมาณแล้วนะอิรยาบทเดินอิรยาบทยืนอิรยาบทนั่งหรืออุรยาบทตอน เรากําหนดกันมาพอประมาณแล้วต่อจากนี้ไปเราต้องเพิ่มแล้วเพิ่มกําหนดเรียาบทย่อยเรียบทเล็กๆน้อยๆอยเราจะต้องกําหนดทั้งหมดคราว น, นี้เอ่ภาษาบริกรรมเนะี่ยเราจะบริกรรมอยู่ก็ได้นะหรือไม่บริกรรมก็ได้จริงๆแล้วภาษาบริกรรมตามแนวของสติปัฏฐานมีไม่มากนะการท่านจะใช้คําว่าเหยียดกับคู่ท่านั้นเองนะเวลาออกไปนี่เป็ น, เ ป, นเป็นเหยียดเวลา ปรักกลับเข้ามานเนี่ยเป็นโคหรือมีการยกขึ้นวางลงเนะี่ยการโครการเหยียดการเคลื่อนการไหวการอะไรต่างๆเนี่ยเราเรากําหนดรู้ในในในสัมพชัญญะเนี่ยบัพธะนั้นเนี่ยท่า น, แ, นแสดงสัมพชัญญะสี่สี่ประเภทแล้วก็ประเภทที่สองนี่เป็นสัพพายะนะสัพพายะสัมพชัญญะประเภทที่สามเป็นโครจรสัมพชัญญะ ประเภทที่สอาสัมโมหะสัมปัชัญญะสัมปชัชชะยะสี่ประการคำว่าศาสกะสัมปัชัญยะนั้นเนี่ยหมายถึงความรู้สึกความรู้สึกว่าจะบังเกิดประโยชน์หรือจะจะไม่เกิดประโยชน์คือความรู้สึกนจะเกิดขึ้นก่อนว่าการยืนการเดินการนั่งการนอน การคค้กการเหยียดการก้มการเงยการเหลียวการแลจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะเกิดความรู้สึกก่อนว่าจะเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์สมควรหรือไม่สมควรเราจะเกิดความรู้สึกจิตค็ดจะเยืนเนี่ยสมควรยืนไหมหรือไม่สมควรเยืนะ จิตคิดจะเดินเนี่ยสมควรเดินไหมหรือไม่สมควรจิตคิดจะนั่งสมควรนั่งไหมหรือไม่สมควรเราจะลืมตาขึ้นเนี่ยสมควรหรือไม่สมควรเนี่ยเราจะหลับตาลงสมควรหรือไม่สมควรครารู้สึกจะบอกก่อนว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์จะมีความรู้สึกบอกก่อนเราจะเริญนสติไปสักระยะหนึ่งนะความรู้สึกอย่างนี้จะเกิดขึ้นเวารู้สึกจะเกิดขึ้นแก่ตัวเรา จะเ ก, กิดความรู้สึกก่อนทุกชนิดว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ถ้าเรารู้ว่าเป็นประโยชน์ก็สมควรทำถ้ารู้ว่าไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่สมควรกระทำจะเป็นตัวตัดสินว่าเราจะกระทำสิ่งนั้นลงไปหรือไม่ทำจะพูดสมควรพูดหรือไม่สมควรพูดนะจะนิ่งสมควรนิ่งหรือไม่สมควรนิ่งเนี่ย ครนนี้ถ้าเป็นประโยชน์เราก็พูดหรือเราก็นิ่งถ้าไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็จะไม่พูดหรือนิ่งแล้วไม่เป็นประโยชน์ก็จะไม่นิ่งเลือกเอาแต่เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์นะถ้าเรียกว่าสาทธะสัทธะสัมปัญชะการที่สองนั้นได้แก่สัพยาสัายะสัมปัญญะ คำว่าสัปพยะสัมปชัญญะก็คือความรู้สึกว่าสบายหรือไม่สบายจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายความรู้สึกจะจะจะรู้สึกขึ้นก่อนนะพอลุกขึ้นยืนเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายนั่งลงจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายเดินไปจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายพูดจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตราย ถ้าเรามีสัปพายะสัมปัญญะเนี่ยการพูดของเราเนี่ยชนิดที่พูดออกไปแล้วเป็นภัยต่อตัวเองเนี่ยจะจะไม่เกิดขึ้นนะพูดออกไปแล้วจะไม่เป็นภัยต่อตัวเองการพูดแต่ละครั้งแต่ละครั้งนั้นจะไม่เกิดอันตรายเพราะจะมีการกันกรองออกไปอย่างดีท่านเรียกว่าสัพพายะตัวราแวดระวังนั่นเองตัวสัปพายะนี่หมายถึงตัวรแวดระวัง คนที่ไม่มีสัพ ป, ปายะเนี่ยนะขาดสัพพายะสัมปัญญะเนี่ยที่เราลุกขึ้นยืนแล้วเราไปชนสิ่งนั้นชนสิ่งนี้เนี่บางที่เดินไปแล้วเราลื่นล้มแบบเนี้ยขาดสัพพายะสัมปัญญะถ้าเรามีสัพพายะสัมปัญชะเนี่ยจะบอกก่อนว่าจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายแล้วก็จะมีการระวังาการ ยกมือขึ้นเนี่ยจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายวางมือลงจะเกิดอันตรายหรือไม่เกิดอันตรายท่านยกตัวอย่างนะว่าในในสมัยก่อนละท่านเหยียดมือเหยียดเท้านะแล้วก็เหยียดเข้าไปในปุ่มไม้โดนอลสารพิษกัและไม่ได้ดระวังก่อนเหยียดมือออกไปแล้วเนี่ยไปกระทบสิ่งนั้นกระทบสิ่งนี้เนี่ยเกิดอันตราย อันตรายสองสถานะอันตรายต่อต่อชีวิตอันตรายต่อพรหมจรรย์สองอย่างเนี่ยคำว่าอันตรายในที่นี้ประโยชน์ก็เหมือนกันเนี่ยประโยชน์เกิดขึ้นแก่ร่างกายแล้วก็ประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์คำว่าเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์เนี่ยเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการประพฤติพรหมจรรย์อย่างหนึ่งแล้วก็เป็นประโยชน์เกี่ยวกับ ร่างกายอีกประการหนึ่งจิต ค, คิดจะเดินอย่างเงี้ยอย่างเราต้องการจะเดินความรู้สึกก็จะบอกว่าเดินไปเนี่ยเป็นประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์หรือนั่งอย่างเนี้ยมันเกิดอาการปวดใช่ไหมปวดมากเลยนั่งเนี่ยเรานั่งแล้วก็นั่งอิยาบทเดียวเนี่ยนานเกินไปปวด พอ ป, ปวดทนอย่างไรอ่ะจิตก็คิดอยากจะเปลี่ยนอยากจะเปลี่ยนอยากจะพลิกคราวนี้ปางรุสุศเนี่ยก็จะบอกก่อนว่าการพลิกเนี่ยกับการอยู่อย่างเนี้ยไหนดีกว่ากันถ้าถ้าเราขยับสันิดหนึ่งทุกขเวทนาก็จะหมดไปถ้าเราไม่ขยับทุกขเวทนาบีบบังคับจิตก็จะเกิด อ, อาการทัศน์สาย อันนี้เมื่อจิตเกิดอาการทัศน์สายการใส่ใจในปัจจุบันธรรมก็จะไม่สะดวกเพราะว่าจิตถูกทุกขเวทนาครอบงำอยู่กายถูกทุกขเวทนาครอบงำแล้วก็จิตไปกังวลอยู่ น, นี่จิตไปกังวลอยู่พอจิตไปกังวลอยู่นี่ะจะกําหนดปัจจุบันธรรมก็ไม่ได้กําหนดอันนี้ทําอย่างไรอ่ะถ้าเราขยับชนิดหนึ่ง พลิกทุกขเวทนาหมดไปพอทุกขเวทนาหมดไปใจก็ ป, าปราศจากความกังวลเมื่อใจ ป, าปราศจากความกังวลแล้วก็จะใส่ใจในปัจจุบันทรรมได้สะดวกถ้าฝือนนั่งอยู่อย่างนั้นต่อไปกายของเราเนี่ยจะเกิดเจ็บชาแล้วก็จะเกิดอะไรต่างๆติดตามมาเป็นอันตรายต่อร่างกายพิจารณาดูแลเปลี่ยน หรือขยับเป็นประโยชน์แบบนี้เราคิดว่าขยับเป็นประโยชน์เนี่ยจิตตัดสินใจเลยว่าพลิกแน่นอนคราวนี้เวลาจะพลิกเนี่ยนะเวลาจะขยับก็จะรู้ก่อนก่อนขยับว่าขยับเนี่ยจะไปกระทบแก้วน้ำไหมจะไปถูกสิ่งนั้นสิ่งนี้เกิดอันตรายหรือเปล่าหรือจะไปกระทบกระทั่งกับสิ่งที่เป็นข้าศึกปรมจันร์หรือเปล่าเนี่ย ้าเป็นพระการขยับขยื่นการเคลื่อนไหวเนี่ยจะไปถูกกับสิ่งที่เป็น่าสึกต่อพรหมจันทร์ในสมัยก่อนพระท่านเหยียดมือแล้วไปถูกนางพิษุณีพอไปถูกนางพิษุณีจิตของท่านเนี่ยก็เกิดคว า, ามยินดีทำให้ท่านนั้นเป็นอันตรายต่อการประพฤติพรหมจักร ให้ความระแวดระวังจะเกิดขึ้นว่าเราจะขยับจะเกิดอันตรายต่อชีวิตไหมจะเกิดอันตรายต่อพรหมจรรย์ไหมพอเรารู้ว่าไม่เป็นอันตรายมองดูเรียบร้อยแล้วไม่เป็นอันตรายก็ขยับรู้ว่าเป็นอันตรายไม่เป็นอันตรายเนี่ยสัายสัมปชัญญะอันนี้ต่อจากนั้นจึงมีการเปลี่ยนมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวสติตามระลึกตั้งแต่เริ่มต้น ไปจนถึงจบอาการท่านเรียกว่าโครจรสัมปชัญญะเป็นโครจรสัมปชัญญะตั้งแต่เริ่มต้นมีการขยับขยื่นเนี่ยจนกระทั่งเปลี่ยนอาการเสร็จอันนั้นเป็นโครจรแล้วกายที่ขยับขยื่นเคลื่อนไหวเปลี่ยนไปนั้นเนี่ยสติตามและลรู้อีกว่าเป็นแต่เพียงรู ป, ปรกาย เป็นแต่เพียงรูปประขันเป็นแต่เพียงกายายตนะเจตคิดจะเปลี่ยนเป็นสภาพนามธรรมาเป็นวิญญาณนขันการเข้าไปรู้ในลักษณะอย่างนี้ท่านเรียกว่าอาสัมโมหสัมพัญญะรู้แล้วไม่หลงไม่หลงลืม เราไปรู้ตามสภาพธรรมตามความเป็นจริงเนี่ยสัมปชัญญะสี่ประการจะจะบางเกิดขึ้นเวลาเร า, เร า, เาใส่ใจเป็นกรณีพิเศษเนี่ยจะต้องฝึกสัมปชัญญะสี่ประการให้เกิดขึ้นขึ้นก่อนน ะ, อะพอประจับประเด็นได้ไหมแบบนี้จะประเด็นได้นะเราเริ่มฝึกตรงนี้กันบ้างแล้วหรือยังมีไหมสัมปชัญะได้เกิดขึ้นแล้วหรือยัง การเดินการยืนการนั่งการนอนเนี่ยต้องมีสติมีสัมปชัญญะทั้งหมดท่านแสดงไว้ว่าอกันเตปฏิกันเตสัมปชานะกาลีโหติมีสติมีสัมปชัญญะในการก้าวไปข้างหน้าในการถอยกลับมาข้างหลังในการ <c oughs> ในการไปเนี่ยในการเดินก็ได้ ว่าการไปเนี่ยเกิดประโยชน์หรือไม่เป็นประโยชน์ทันยกตัวอย่างว่าเขามีงานมีงานจัดงานไหว้พระเจดีจิตคิ ด, คดอยากจะไปพอจิตคิดอยากจะไปเนี่ยความรู้สึกจะบอกว่าเป็นประโยชน์ไหมเพราะการไปเนี่ยไปไหว้พระเจดีก็เป็นกุศลอยู่แต่ขณะนี้เรากําลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานระหว่างไปแต่ระหว่างอยู่เนี่ย อันไหนเป็นประโยชน์มากกว่ากันเนี่ยไปก็จะเจอคนมากขั้นมาหรือเมื่อวานนี้เป็นวันวิสาขาบูชานะเราเจริญวิปัสสนากรรมาฐานกันเราก็อยากจะไปเวียนเทียนกับนบมางใกลๆแถวนี้วัดใหญ่เขาจัดงานเวียนเทียนเรานึกถึงอยากจะไปอยากจะไปเวียนเทียนในวันวิสาขาบูชา จะเป็นการกระทำสักการบูชาในส่วนอมิตรบูชาแด่พระสมาสัมพุทธเจ้าจิตก็คิดอยากจะไปแต่เรากำลังเจริญวิปัสสนากรรมฐานกันอยู่จิตก็จะเกิดความรู้สึกว่าไปเนี่ยเกิดประโยชน์หรืออยู่ตรงนี้เกิดประโยชน์มากกว่าไปก็จะไปเจอบุคคลมากมาย คนก็แต่งตัวหลายหลากแล้วคนที่ที่ไปนั้นเนี่ยเราไปเจอเข้าก็จะมีบุคคลทั้งที่เราชอบใจไม่ชอบใจนั่นไปแล้วเนี่ยทําให้เกิดลาคะก็ได้ทําให้เกิดโทษะก็ได้แบบนี้ไม่เป็นประโยชน์สักแต่ไปเนี่ยไม่เป็นประโยชน์ไม่ไปได้ประโยชน์่ะไปแล้วเกิดอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์กุศลเกิดขึ้นก็จริง ในด้านอามิสบูชาแต่การเจริญวิปัสนาอยู่ที่นี่ได้กุศลมากกว่าไงถ้าเราไปแล้วไปกระทบกระทั่งกระอิดถาลมบ้างอ น, นิจฐาลมบ้างทําให้เกิดยินดียินร้ายกิตตกจากปัจจุบันธรรมไปแล้วเกิดอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์เป็นอสัพพายะถ้าไปแล้วเนี่ยไม่เกิดอันตรายต่อการประพฤติพรหมจรรย์ก็เป็นสัพพายะ เรากําลังเจริญวิปัสนากรรมาฐานอยู่ตรงเนี้ยเราก็ทราบข่าวเลยนะใกล้ๆตรงเนี้ยห่างไปประมาณสองสามกิโลมีพระอาจารย์ท่านเดินทางมาไกลจากต่างประเทศเนี่ยพระอาจารย์ท่านนี้ท่านแตกฉานในเรื่องพระไตรปิฎกเรากําลังเจริญวิปัสนาอยู่เกิดความข้องใจปฏิบัติไปแล้วยกระดับจิตของตัวเองไม่ได้ทราบข่าวว่าท่านมาเนี่ยจิตคิดจะไป ไปแล้วแก้ข้อข้องใจได้ไปแล้วจะทำให้การปฏิบัติก้าวหน้าสมควรไปไปแล้วเราเข้าใจทำให้เราปฏิบัติเจริญก้าวหน้าการประพฤติพรหมจรรย์ของเราจะดาเนินไปราบเรียบอยู่ที่นี่ติดขัดโยการเจริญสติต่อไปอาจหลงทางก็ได้อันตรายต่อพรหมจรรย์อาจจะเกิดขึ้นสมควรไปแบบนี้ ไปแล้วเกิดประโยชน์ไปแล้วไม่เกิดอันตรายต่อพรมจักรไปแล้วเราจะเข้าใจในสิ่งที่เราติดขัดอยู่ในใจอย่างเงี้ยอย่างพระสมัยก่อนเวลาท่านไปปฏิบัติธรรมเนี่ยนะพระเิ้าให้ไปปฏิบัติในสถานที่ที่ไม่ไกลจนเกินไปในระหว่างจำพรรษาเนี่ยบอกว่า สถานที่ที่ไปพักจำพรรษาอยู่เนี่ยระหว่างเดินไปกับเดินกลับเนี่ยไม่เกินหนึ่งวันเดินไปถึงแล้วเดินกลับไปสู่ที่พักเนี่ยไม่เกินหนึ่งวันพรรษาไม่ขาดเพราะเวลาไปปฏิบัติตามลําพังเนี่ยเกิดติดขัดติดขัดทําไมติดขัดก็ต้องเดินกลับไปหาอาจารย์ตอนเช้าออกบินรบาดแล้วก็เดินเลยไปหาอาจารย์ การบินระบาดระหว่างทางแต่ถึงพบพบครูบาอาจารย์แล้วสอบถามปัญหาอาจารย์ท่านตอบปัญหาให้พอท่านตอบปัญหาเสร็จสับเรียบร้อยเข้าใจเดินกลับไปเจริญสติต่อเนี่ยคือจะต้องอยู่ไม่ไกลการยานามิตรเวลาเวลาปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องมีการยานามิตรอยู่ตอลอดการยานามิตรเนี่ยท่านบอกว่าเป็นทั้งหมดของพรหมจรรย์เยเป็นทั้งหมด เกี่ยวกับการประพฤติประมาจันต์ขาดกัลยาณมิตรไม่ได้ครูบาอาจารย์ที่ท่านคอยประคับประคองเราเนี่ยเป็นเป็นกัลยาณมิตรของเราอันนี้เกี่ยวกับความรู้สึกที่จะเกิดขึ้ น, นเกี่ยวกับการทำอะไรต่างๆอรา น, นี้ถ้าถ้าบอกว่าไปแล้วไม่เกิดอันตรายเราก็ไปในระหว่างไปเนี่ยท่านบอกว่า มีสติมีอารมณ์กรรมฐานไปตลอดท้าไม่ได้ระบุนะกรรมฐาน <c oughs> ไม่ไม่ได้ระบุว่าเป็นกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งจะเรินกรรมฐานข้อใดข้อหนึ่งไปก็ได้ไปด้วยการสติตามระ ล, ลึกรูเท่าทันกายทุกข์อาขับกิริยาการก็ได้ ไปด้วยพุทธานุสติก็ได้ใช่หจเจริญพุทธานุสติตลอดไปตอนกลับก็จเจริญพุทธานุสติตลอดครับก็แต่ถ้าเราจเจริญสติปัะฐาเราก็ควรกำหนดกำหนดกายใช่ไหมกำหนดยาบทยาบทเดินเนี่ยการมีสติไปทุกทุกอย่างก้าวเหมือนกับเราเดินจงกรมเนี่ยมีสติ ตั้งแต่เมื่อไรก่อนที่เราจะลุกขึ้นมีสติระลึกรูก้ทุกอากาศกิริย า, าการและก้าวไปทุกๆ ก, ก้าวมีสติระลึกรูก้ทุกอากาศกิริย า, าการทั้งไปและกลับท่านเรียกว่าโคจรสำปรจัญญะมีสติในการโคจรมีสติในการไปในการกลับแล้วก็ ขณะที่เดินไปเนี่ยรู้ชัดเจนว่าที่เดินเนี่ยเป็นแต่เพียงรูปประกายภาษาวิปัสสนาเขาเรียกว่าเป็นแต่เพียงรูปรูปเดินคําบอกรูปเดินถ้าภาษาสติปัฏฐานพระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่ากายเดินกายเดินเรารู้ชัดว่ากายเป็นผู้เดินไป ห ร, หรือสภาพของรูปรูปประกายเนี่ยเดินไปแล้วก็นามคือใจเนี่ยเป็นเป็นผู้ปรารถนาเป็นผู้ต้องการไปจิตคิดจะเดินกายก็เดินมองเห็นว่าเป็นขบวนการของกายขบวนการของจิตกาย ถ้าจัดเป็นขันก็เป็นเป็นรูปขันถ้าจัดเป็นอายตนะก็เป็นกายายตนะถ้าจัดเป็นธาตุก็เป็นกายธาตุแล้วก็จิตที่คิดจะไปเนี่ยจัดเป็นขันก็เป็นวิญญาณขันจัดเป็นอายตนะก็เป็นมนายตนะจัดเป็นธาต ก็เป็นมโนวิญญาณธาตุรู้โดยความเป็นขันรู้โดยความเป็นอายตนะรู้โดยความเป็นธาตุเรียกว่าอาสัมโมหะสัมปัญญะไม่หลงลืมคือเข้าไปรู้ว่าไอ้ที่ไปเนี่ยเป็นแต่เพียงรูปไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลเป็นแต่เพียงรูปประขันเป็นแต่เพียงรูปประกายเนี่ย หาใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาไม่เนะี่ยรู้อย่างนี้เรียกว่าอสัมโมหสัมปชัญญะไม่หลงลืมงัม้นทางการก้าวไปทังการถอยกลับจะมีสัมปชัญญะสี่ประการอันนี้ที่ที่อยากจะให้ฝึกนะให้ฝึกก็คือเราเอามาใช้ในชีวิตประจำวันในเวลารับประทานอาหารเนี่ยตอนรับประทานอาหารเนี่ยอยากจะย้าบ่อยๆยนะ อาจารย์ท่านคงย้ำไปแล้วแต่อยากจะย้ำอีกเพราะว่าตรงนี้จะจำเป็นจะสาคัญมากนะในขณะรับประทานอาหารเนี่ยการรับประทานอาหารด้วยสติสัมปชัญญะเนี่ยกันกิเลสได้เนะชื่อไหมว่ากันกิเลสได้จะจะกันได้อย่างไรอะ่ะกันกิเลสได้อย่างไรยกตัวอย่างนะตรงนี้เป็นเป็นอาหารอันนี้เป็นแกงไก่แกงไก่นะ บุคคลที่บริโภคอาหารโดยปราศจากสติจิตจะดำริถึงอาหารพอจิตคิดจะบริโภคอาหารจิตก็มุ่งไปหาอาหารไปรู้ว่าเป็นอาหารอะไรอะไรแล้วก็รู้ต่อไปว่าอร่อยไม่อร่อยถูกใจเราไม่ถูกใจเราถ้าเป็นอาหารถูกใจเราก็น้ำลายไหลแล้วยังไม่ได้ยังไม่ได้รับประทานนะน้ำลายไหลแล้วถ้าเป็นอาหารไม่ถูกใจเราไม่ได้เรือง ยังไม่ทันยังไม่ทันทานด้วยซ้ไปรับประทานด้วยซ้ไปไม่ได้เรื่องไว้แล้วว่าทําไมไม่ชอบมันไม่ไม่ชอบมานานแล้วอาหารชนิดเนี้ยวันก็อย่างเนี้สองวันก็อย่างเนี้สามวันก็อย่างนี้ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยไม่ในเรื่องปาฏิฆาเกิดแต่หละเป็อาหารถูกใจเราน่ะยังไม่ทันรับประทานนั้นนหละโลภเกิดแล้วจิตดําริจิตปรุงแต่งในอาหารคราวนี้ถ้าเราเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบทย่อยเนี่ย จิตคิดจะตักอาหารเราไปนั่งเรียบร้อยอาหารอยู่ใกล้ๆมือเราแล้วนะจิตคิดจะตักอาหารพอจิตคิดจะตักอาหารกําหนดจิตกําหนดความรู้สึกความรู้สึกคิดจะตักอาหารแต่เบื้องต้นก็คงคิดจะรับประทานอาหารก่อนนะแต่ตอนนี้อาหารอยู่ใกล้ๆเราแล้วเลยขบวนการนั้นมาแล้วก็เอาจิตคิดจะตักอาหารก็มีอยู่คิดจะตัก พระจิตคิดจะตักเนี่ยถ้าคนไม่ได้จเจริญสติใจจะไปหาถ้วยอาหารและไปปรุงแต่งอย่างที่ว่าเนี่ยแต่ถ้าคนจเจริญสติพระจิตคิดจะตักรู้จิตต่อจากนั้นจิตคิดจะตักเนี่ยจิตตรงนั้นเนี่ยเขาทำให้ลูกเคลื่อนไหวทำให้จิตต่อชูปเกิดวายโยธาชันเกิดจากจิตเกิดขึ้นวายโยธาก็จะผลักดันกายส่วนหนึ่ง คือปลักดันมือเราเนี่ยให้ยกขึ้นให้เหยียดออกไปแล้วให้หย่อนลงไปด้วยอํานาจของวาโยโญนะวาโยโญเกิดจากจิตตรงนั้นเนี่ยจิตที่คิดนั่นนี่ยเป็นเป็นเป็นผู้กระทาให้เกิดขึ้นขณะนั้นเนี่ยสติของเราอยู่ที่ไหนอถ้าเราจดสติเนี่ยเรากาหนดจิตเสร็จแล้วก็มากําหนดกายกายส่วนไหนที่จะไปเกี่ยวข้องกับการตักจะใช้มือข้างไหนตัก่ะ สติไปไว้กับมือข้างนั enfin ้นพติอยู่กับมือข้างนั้นยกมือขึ้นรู้นะเหยียดออกไปลุ่หย่อนลงลู่แล้วก็จับช้อนลุ่ยกขึ no <S <S <S <S <S <S ้นมาลู่เอื้อมไปที่ถ้วยอาหารลู่นนะหย่อนลงลู่แล้วก็คลิกเอขยับมือลู่นลุอาการเนี่ยตักก็รู้อาการตักตักเสร็จแล้วก็ยกขึ้นก็ลุ่อาการยกยกเสร็จแล้วก็โคเข้ามาลุ่อาการโคโคเข้ามายังใส่ปากมันก็รู้่นอาการยกขึ้นอีกยกอีกยกเสร็จแล้วก็ เทใส่ปากก็ร้่วการเทเทเสร็จแล้วมือก็หย่อนลงร้่วการหย่อนหย่อนลงอีกร้่วการหย่อนแล้วก็เหยียดออกไปร้อวการเหยียดวางร้่วการวางขบวนการของปากก็เคี้ยวครนี้เคี้ยวแล้วเคี้ยวก็ร้อวการเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวเคี่ยวกี่คำกี่ครั้งก็รู้ไงรู้ทั้งหมดเคี้ยวเสร็จแล้วก็มีะบวนการกลืนคราวนี้กลืนกลืนก็รู้ขบวนการกลืน ตรงไหนทํางานเวลากลืนเนี่ยกายส่วนไหนทํางานรู้กายส่วนนั้นเนี่ยสติจะอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกตลอดจนไม่ได้ไปจิตไม่มีโอกาสแวบออกไปหาอาหารว่าเป็นอาหารอะไรอะไรไปได้แวบออกไปหาว่าเป็นแกงไก่เป็นก๋วยเตี๋ยว เ, เป็นลาดหน้าไม่ได้ออกไปคิดเลยเพราะมัวจะอยู่กับกระบวนการของกายเนี่ย เมื่อไม่ได้คิดออกไปข้างนอกยินดีก็ไม่เกิดยินร้ายก็ไม่เกิดเรียกว่ากันกิเลสได้ตรเ น, นี้ันบอกคนมีสติอยู่กับกายอยู่กับความรู้สึกเนี่ยกัรอภิชาและโทมนัสได้สองอย่างพระองค์ทรงแสดงไว้ชัดเจนเพื่อขจัดอภิชฌาและโทมนัสออกจากจิตทำให้อภิชฌาไม่เกิดทำให้โทมนัสไม่เกิด อภิชาหมดไตโทมนัสหมดไปเกิดขึ้นไม่ได้นั่นเองไม่สามารถจะเกิดขึ้นได้เนี่ยการการเจริญสติจนกระทั่งรู้ทันกายรู้ทันจิตเนี่ยจะสามารถกันกันได้เราก็ต้องต้องฝึกนะฝึกยาวๆเจาะย่อยเนี่ยให้มากแล้วก็ขออภัยด้วยนะเสียงมันไม่ค่อยแจ่มใสเสียงคระท้วงหน่อยหนึ่ง นี่ยในชีวิตประจําวันเนี่ยเราจะเริ่มฝึกกันตั้งแต่เมื่อไหร่อน่ยอิริยาบถย่อยๆเนี่ยถ้ามีอิริยาบถใหญ่ในนั้นก็จะมีอิริยาบถ ย, ย่อยนอนอยู่ก็มีอิริยาบถ ย, ย่อยเวลาฝึกการเจริญสติเนี่ยท่านให้เราฝึกตั้งแต่เริ่มรู้สึกเราตื่นนอนเนี่ยเรารู้สึกพอเรารู้สึกเวลาใดเนี่ยเริ่มเจริญสติทันทีพอเรารู้สึกเนี่ยกายนอนอยู่ใช่ไหมกายนอนอยู่ คราวนี้เราได้ท่านผู้ใดโยคยีก็จะไปกําหนดตัววิปัสสนานั้นๆเนี่ยพอไปกําหนดฐานวิปัสสนานั้นๆแอดสภาพนั้นก็จะปรากฏให้เห็นว่าเขาก็เป็นตายรักเป็นอนิจจังเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเขาก็สามารถจะข้ามพ้นจากตัวนั้นได้ดังนั้นโยคยีบุคคลก็จะเอาตรงนี้เป็นเครื่องวัดว่าการติดอยู่ในวิปัสสนาเกเรตเนี่ยไม่ใช่ฐาน ส่นการยกระดับจิตต้นไปจนเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตรงนี้เป็นหนทางเข้าไปสู่มัคคามัคคะยาณนะทัศนวิสุท ธ, ธิตรงนี้ยจะต้องผ่านตรงนี้อยู่แล้วก็จะมีตัวตัวตัวตัวให้เราเปรียบเทียบ ว, ว่าถูกต้องไม่ถูกต้องนี่ในการดําเนินไปถูกทางอท่านบอกว่าต้องผ่านตรงนี้ด้วยนะปีตีเนี่ยต้องผ่านปรับสติอะไรพวกนี้ต้องผ่า น, น, านมีในพิปัสนุกิเลสสืบประการในค่อยนำเอามาขยาย แค่วันนี้ก็คงคพอสมควรนะพอสมควรแล้วใช้เวลากันมาพอสมควรของคงจะไม่มีแล้วนะปัญหานะ่ยผู้ใดสงสัยก็เก็บเอาไว้วันต่อไปเนะวันพวงนี้จะมาได้ใช้เวลาบรรยายมาแล้วก็นํำมาปัญหามาตอบนะท่านทั้งหลายได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็จะให้ไปปฏิบัติต่อ สุทานนี้ก็ขออำนาจของคุณทศรีรัตน์ไตรคือคุณขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพรารยาทรงเจา้าคุณของฐารรมปิมภาวนาที่ท่านทั้งหลายได้ตั้งใจบำเพ็ญมาจงมารวมกันเป็นเดชเป็นตะบะเป็นพราะตัดใจเป็นอุปนิสัยตามส่งให้ทุกท่านนั้นมีสติมีปัญญาแล้วก็มีดวงตาเห็นธรรมขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยกันทุกท่านทุกท่านเทิด ปัญหาก่อนนะท่านเลยสงสัยบพกว่าเดิมเข้าใจว่าสติปัฏฐานภาวนาเป็นวิปัสสนาแต่อย่างเดียวแต่พริยินพระอาจารย์บอกว่าไม่ใช่เช่นนั้นเป็นสมถภาวนาก็ได้ด้วยเราอยากขอให้ช่วยอธิบายทำแน่ธรรม ด้วยว่าสติปัฏฐานส่วนใดเป็นสมถะและส่วนใดเป็นวิปัสนาอยากรู้ใช่ไหมอนาปานะ บ, บพะเนี่ยเป็นสมถะนะอนาปานะ บ, บพะการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่ยเป็นอารมณ์ของสมถะในสติปัฏฐานเนี่ยท่านแสดงอนาปานะ บ, บพะ เพียงหนึ่งบวชทนั้นเองหนึ่งบวชสี่หัวข้อหรือหนึ่งจตุกขะของอานาปานัสสติสูตรในอนาปานัสสติสูตรเนี่ยท่านแสดงถึงสิบหกหัวข้อหัวข้อที่หนึ่งเนี่ยเป็นกายานุปัฏนาสติปทานแล้วก็สี่เจ็ดสี่สี่หัวข้อแรกในจตุกะที่หนึ่งเนี่ยเป็นกายานุปัฏนาสติปทาน แล้วก็สี่หัวข้อถัดไปเป็นเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานแล้วก็สี่หัวข้อถัดไปก็จะเป็นจิตตาสี่หัวข้อสุดท้ายเป็นเป็นธรร ม, มานุปัสสนาสติปัฏฐานในสี่หัวข้อแรกเนี่ยหมายถึงการกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ลมหายใจเข้าทั้งหมดลมหายใจออกทั้งหมดลมหายใจสงบระงับในขั้นสงบระงับน่คือได้ฌานจิตฌานจิตเกษษิดแล้วก็อนนาปานสติก็แสดงในกายานุปัสนาสติประธานเพียงเท่านี้ไม่ได้แสดงเหนือจากนี้นะเพราะอนนาปานสตินั้นจึงถือว่าเป็นสมถกรรมฐานนะเป็นอารมณ์ของสมถารุนล้วนนะแต่ อัตตะถาท่านขยายและสามารถที่จะให้อนาปานสติเป็นวิปัสสนากรรมฐานบ้างก็ได้เป็นเป็นกรรมฐานอย่างละเป็นวิปัสสนากรรมฐานอย่างไรอ่ะท่านบอกว่าถ้าจะกําหนดอานาปานสติให้เป็นวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยให้กําหนดสถานที่ลมหายใจเข้าออกคือโพรงจมูก ซึ่งเป็นรูปปะกายในฐานะเป็นรูปธรรมแล้วก็กําหนดความรู้สึกเป็นนามธรรมก็จะเป็นอารมณ์ของวิปัสสนากรรมฐานะาแสดงไว้แบบนี้หนะ่อยแทนที่จะให้ปรหมวิปัสสน า, านะจะต้องกําหนดในลักษณะนั้นกันขยายไว้ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยในอตบกถาขยายไว้แล้วก็ยังมีอีก อีกนะหมดอื่นๆก็ยังมีอีกที่เป็นอารมณ์ของสมถะเนี่ยอย่างกําหนดโดยธาตทั้งสี่เนี่ยก็เป็นอารมณ์ของสมถะนะส่วนที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเนี่ยการกําห น, นดอรนิริยาบทเนี่ยนิริยาบทเนี่ยเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาการกําหนดนิดยาบทเนี่ยกําหนดถูกประมัดตรงไหนในในอิริยาบทเนี่ย วิญญาบทเดินวิญญาณบทยืนอิญญาบทนั่งอิญญาบทนอนเนี่ยสามารถกำหนดปรมัตดตรงไหนการกําหนดกายนะ่ยวิญยาบทเนี่ยท่านให้กําหนดกายแล้วก็กายเนี่ยเป็นอายตนะภายในคําว่ากายเนี่ยเป็นอายตนะภายในตาหูจมกูกลิ้นกายอายตนะภายในแล้วก็ใจ ยตนาภายในมีหกเลยมีหกประการนะากายุ acle, im, teaching, ประสาทเป็นรูปประธรรมโสตประสาทเป็นรูปประธรรมขานพัสสัดเป็นรูปประธรรมชีหาประสาทเป็นรูปประธรรมกายะประสาทก็เป็นรูปประธรรมแล้วก็วิญญาณคือจิตก็เป็นนามธรรมงั้นการกําหนดกายในอิริยาบทสี่ประการเนี่ยเป็นกายยตนะาซึ่งเป็นตัวประมัดเป็นกายะธาต ซึ่งเป็นตัวประมัตดนะ่ะแล้วก็กลายเป็นรูปประขันเป็นตัวรู ป, ประธรรมจิตที่เข้าไปกําหนดรูไกายเนี่ยเป็นเป็นนามธรรมาจิตที่เข้าไปกําหนดรูไกายมีมีอยู่กี่ดวงจิตที่เข้าไปกําหนดรูไกายเนี่ยก็มีกายะวิญญาณจิตตัวกายะวิญญาณจิตเนี่ยเป็นเป็นตัวนามธรรมา แทนการกำหนดกายเดินกายยืนกายนั่งกายนอนเนี่ยสภาพของกายนั้นเป็นเป็นรูปธรรมแล้วก็การกำหนดกายเนี่ยอย่าไปกำหนดเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ถูกกายไอเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงไม่ใช่กายเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นอะไรอ่ะเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงนั้นเป็นอายตนะภายนอก กลายเป็นอายตนะภายในตัวเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงเป็นโพด ถ, ถับพายตนะเป็นปรมัาทเหมือนกันไม่ไม่ใช่เป็นปรมัาทส่วนของกายแต่เป็นปรมัาทในส่วนของโพด ถ, ถับพระซึ่งเป็นอายตนะเรียกว่าโพด ถ, ถับพายตนะ อ่อจัดประเด็นได้ไหมแยกให้ดูนิดหน่อยนะอันนี้แยกให้ดูนิดหน่อยําหนดเวทนาเนี่ยเป็นเป็นปรมัาทุลนเวทนาเนี่ยเวทนานุปัฏนาสติปัฏฐานเนี่ยนะกนําหนดความรู้สึกนะความรู้สึกสบายความรู้สึกไม่สบายและความรู้สึกเฉยเฉยเนี่ยเป็นนามมาทำเป็นอารมณ์ของวิปัสนาลุลนแล้วก็กําหนดจิตสภาพจิตก็เป็นปรมาท เป็นนามมาทำล Conan ้วนๆส่วนกําหนดสภาพธรรมเนี่ยมีทั้งรูปและนามอยู่ในนั้นในธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเนี่ยเราก็จะเห็นว่ากายานุป am am ัสสนาสติปัฏฐานมีทั้งอารมณ์ของสมมตะแล้วก็อารมณ์ของวิปัสนาส่วนเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานนั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสนาจิตานุปัสสนาสติปัฏฐานเป็นอารมณ์ของวิปัสนาธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานก็เป็นอารมณ์ของวิปัสนา พอมองเห็นแมต้ตรงนี้ว่าเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสนาการการเข้าไปใส่ใจการเข้าไปกำหนดในสติปัฏฐานบงท่านก็บอกว่าสติปัฏฐานต้องเป็นวิปัสนาถ้าสติปัฏฐานเป็นวิปัสนาทั้งหมดอนาปาณะบพะซึ่งเป็นตัวบัญญตัติจะแสดงว่าบัญญัติเป็นอารมณ์ของวิปัสนาได้นะแต่จริงๆแล้วไม่ได้เป็นอย่างนั้น เป็นทั้งอารมณ์ของสมถะและวิปัสนาเวลาเจริญสติประฐานเนี่ยท่านาเบเน้นถึงเรื่องสมถะวิปัสนาพระเจ้าทรงเน้นถึงเรื่องการมีสติเท่านั้นเองการมีสติและมีสัมปชัญญะไปเน้นเน้นสองประเด็นตรงนี้คือเน้นต้องการให้ให้มีสติมากๆให้มีสัมปชัญญะมากมากไปเด้นตรงนี้ สตินั้นเนจะไประลึกถึงอารมณ์ของสมถะก็ได้อารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาก็ได้ถ้าสติไประลึกถึงอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ของสมถะสตินั้นจะเป็นเหตุทำให้เกิดความสงบถ้าสติไประลึกถึงอารมณ์ที่เป็นปรามาตะก็จะเป็นเหตุทำให้เห็นการเกิดดับเป็นเหตุให้เกิดวิปัสสนาเป็นเหตุให้เกิดปัญญา กติจึงสามารถใช้ได้ทั้งการเจริญสมถะแล้วก็เจริญวิปัสนาเวลาเจริญกติปฐานท่านไม่ได้คำนึงว่าจะเจริญสมถะหรือวิปัสนาก็ได้แล้วแต่จะเจริญอะไรก็ได้ในหมวดแรกท่านจึงแสดงอนาปานะ บ, บพะไว้ก่อนแสดงอารมณ์ของสมถะทำไมจึงแสดงอารมณ์ของสมถะไว้ก่อนก็เพราะว่าการ จะกำหนดปัจจุบันธรรมนะกำหนดกายซึ่งเป็นปัจจุบันธรรมในอิริยาบทสี่หรือในอิริยาบทย่อยเนี่ยจิตต้องมีกำลังพอประมาณจิตที่พล่านไปในอารมณ์ยังไม่เหมาะแก่การกำหนดปัจจุบันธรรมพระเจ้าจึงทรงแสดงอานาปานัพปะไว้เป็นอันดับหนึ่งเพื่อเป็นการปรับจิตให้เกิดสมาธิก่อน แล้วสมาธิที่ท่านแสดงในสติปัฏฐานเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงสมาธิถึงระดับอัปปนาด้วยถึงระดับอัปปนาภาวนาไม่ใช่ไม่ใช่สมาธิในขั้นขณิกะอย่างเดียวเป็นสมาธิที่ทำให้จิตสงบระงับคำว่าจิตสงบระงับก็คือถึงกับได้ฌานจิตพอได้ฌานจิตแล้วตรงนี้นี่แหละแทนให้เราค่อยๆ ย, ยกระดับจิตขึ้นสู่วิปัสสนาทีหลัง หรือเราไม่ปฏิบัติจนถึงชาญก็ได้ปฏิบัติพอประมาณนะกําหนดลมหายใจเข้าออกพอประมาณเป็นการทําให้จิตของเราสงบพอจิตสงบแล้วจิตเหมาะแก่การงานจิตไม่พล่านไปในอารมณ์ต่างๆแล้วเราก็เอาจิตที่มีสมาธิเป็นกําลังตรง น, นี้ไปกําหนด กำหนดปัจจุบันธรรมจิตของเราก็จะสามารถอยู่กับอิริยาบถได้สะดวกนะอิริยาบถเดินอิริยาบถยืนอิริยาบถนั่งอิริยาบถนอนนะเพราะว่าการการกําหนดปัจจุบันธรรมนั้นเนะ่ะท่านบอกว่าวิริยะมากเกินไปทําให้ฟุง้งสมาธิมากเกินไปจิตแนบแน่นไปจิตไม่พิจารณาอารมณ์ การที่จะกำหนดปัจจุบันธรรมได้สะดวกสมาธิกับวิริยะต้องเกิดการสาดุลกันก็นต้องให้สมาธิกับวิริยะนั้นสม่ำเสมอกันแล้วคำว่าสม่ำเสมอเนี่ยเอาขนาดไหนสม่าเสมอในที่นี้ก็คือสามารถที่จะน้อมจิตไปรู้ปัจจุบันธรรมได้สะดวกสามารถที่จะตามรู้ กายเดินกายยืนกายนั่งกายนอ น, นได้สะดวกสบายคือจิตไม่พล่านไปในอารมณ์อื่นจิตไม่สงบมากจนเกินไปสามารถน้อมไปรู้กายในอิริยาบถต่างๆได้โดยสะดวกสบายอันนั้นเรียกว่าสมาธิกับวิริยสะสมดุลกันเรากาหนดได้สะดวกหมตอนนี้เวลากําหนดเนี่ยกาหนดอาการได้สะดวกไห เลาเดินสติอยู่กับอาการนั้นๆฟุงบ้างหรือเปล่าถ้าฟุง้งเราก็ดูว่าฟุ้งเนี่ยเกิดจากอะไรบางครั้งจะเอามากเกินไปใจฟุง้งเรียกว่าวิริยามากเกินไปลดวิริยะมากาหนดลมให้ใจเข้าออกนะพอกาหนดลมให้ใจเข้าออกจิตก็สงบพอจิตสงบพอประมาณแล้วต่อจากนั้นลองน้อมจิตไปดูใหม่ดูยาวบทใหม่ พระบิาดายาบนใหม่ก็จะกําหนดได้สะดวกเลยท่านนี้ยจิตสามารถจะตามระลึกได้สะดวกสบายนั่งก็รู้ยืนก็รู้เดินก็รู้นอนก็รู้อยู่ที่ไหนที่ไหนก็รู้ทําอะไรอะไรก็รู้หมดถ้ารู้เท่าทันในลักษณะนี้เรียกว่าสมาธิกับวิริยะนั้นเขาสามัญกันเป็นการปรับปรับอินทรีย์ในอินทรีย์ห้าประการได้นะอันนี้ก็เป็นปัญหา ของท่านแรกนะมีถามมาบอกว่าอแม่ไม่เคยฝึกนะไม่เคยฝึกพองหนอยุคหนอนะอาการพองอาการยุกของท้องไม่ใช่จากลมหายใจดังนั้นจากอะไร สังเกตได้ยามไรพยายามลองเอามือทาบท้องดูก็รู้สึกได้ได้ได้ยากมากที่รู้สึกและเป็นการเต้นของชีพจรหน้าท้องใช่อาการยุบพองที่กล่าวถึงหรือไม่ถ้าไม่ใช่จะมีวิธีการสังเกตอย่างไร ท้องยบเนี่ยเกิดจากลมหายใจได้เกิดจากอย่างอื่นหรือไงเกิดจากลมหายใจหายใจเข้าท้องพองใช่ไหมสังเกตหรือเปล่าอ่ะหายใจออกท้องยุบอาการพองอาการยุบเนี่ยเป็นอาการเกิดขึ้นจากลมหายใจแต่ท่านไม่ให้เรากําหนดลมหายใจให้กําหนดแต่อาการพองอาการยุบทําไมไม่ให้กําหนดลมหายใจอ่ะเพราะกาหนดลมหายใจจะเป็นบัญญัติ ไม่ใช่ประมัดถ้าไปกำหนดอาการพองอาการยุบอาการพองอาการยุบเป็นอาการพองของกายเป็นอาการยุบของกายจะไปถูกตัวกายพอไปถูกตัวกายแล้วก็จะเป็นประมัดพองยุบจึงเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาบางท่านคัดค้านว่าพองยุบเนี่ยไม่ใช่อารมณ์ของวิปัสสนาไปกาหนดอะไรก็ไม่รู้อ่ะกำหนดพองนอยุบน้อไม่รู้เอาอะไรมากำหนดกัน นักค้านเขาก็ค้านกันไปเรื่อยๆนะชอบค้านค้านไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราศึกษากันให้เข้าใจจริงๆแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านไม่ได้ให้เรากําหนดลมให้ใจเนี่ยลองไปดูนะอาจารย์บางท่านก็ยังให้กําหนดลมให้ใจนะไม่ถูกทฤษฎีของเขานะี่ยต้องเข้าใจด้วยอาจารบางท่านก็บอกว่าหายใจเข้าท้องพองกําหนดลู่หายใจออกท้องยบกําหนดลู่ไปควบคู่กับลมหายใจเข้าออก ถ้าไปควบคู่ลมหายใจเนี่ยไปรู้ลมหายใจก็จะไม่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาแต่ถ้าจะให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาต้องรู้อาการเท่านั้นเองแต่อาการตรงนี้ละเอียดเราไปดูเนี่ยดูลําบากสติต้องดีพอประมาณจิตเนี่ยต้องตื่นพอประมาณนะถ้าจิตของเราสงบสมาธิก็เกิดทันทีก็ไม่เป็นอาการที เราใสใจไม่ดีเนี่ยเป็นสมาธิทันทีเราสามารถกําหนดแล้วจะเป็นสมาธิกําหนดไปแล้วท้องคลองหายุบหายเนี่ยเป็นสมาธิไปแล้วมันจึงเป็นสมาธิเพราะอาการทีในการจะกําหนดตรงนี้เนี่ยสติต้องดีแล้วก็จะต้องตื่นตัวเต็มที่เราจะริ่มปันธนาเนี่ยใช้จิตที่ตื่นอยู่ไม่ใช่จิตที่สลืมสลือสมาธิพอเกิดเนี่ยจะทําให้จิตเนี่ยสลืมสลือเบลอ กำหนดไปแล้วมีอาการเบลอๆเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่าตรง น, นั้นไม่เหมาะแก่การเจริญวิปัสสนาะถ้าทําไปแล้วเนี่ยจะทําให้จิตสงบทําให้ไม่ชัดในอาการถ้าเราต้องการให้ชัดในอาการก็ต้องให้ให้ตื่นตัวเต็มที่เดีย๋ยวเรานั่งอยู่เนี่ยลองเอามือไปแตะตัวนะถ้าปกติแล้วเนี่ยมันจะต้องมีการท้องจะมีการขับเคลื่อนนะไม่ใช่ว่าจะอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆไม่ได้เอามือแตะกดเข้าไปหน่อยหนึ่ง อยากรู้ชัดเจนก็กดเข้าไปลึกๆนะ่ะเราจะรู้ว่ามือไม่อยู่นิ่งๆอะ่ะเดี๋ยวมันดันมือเข้ามือออกเนี่ยมันเป็นอาการของกายตรงนั้นแหละาการเข้าไปกําหนดรู้ตรงนี้เป็นอาการของกายแหละเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเป็นตัวกายะแก่จะสงเคราะห์เข้าสติปฐานเนี่ยก็น่าจะส่งเคราะห์เข้าในอธิยาบทย่อยนะจะมาสงเคราะห์เอานะเพราะในอธิยาบทย่อยก็ไม่ได้แสดงไว้ไม่ได้แสดงอาการตรงนี้ไว้อะ่ะมีแสดง ในอุบาบทย่อยท่านก็นแสดงไว้เจ็ดประการเท่านั้นเนีองคงคงคงเข้าใจนะตรงนี้นะเป็นเป็นอาการที่เกิดขึ้นจากลมหายใจแต่ท่านไม่ให้เรากําหนดลมหายใจเพราะกําหนดลมหายใจแล้วจะเป็นอารมณ์ของสมะถะก็เลยให้กําหนดแต่เฉพาะอาการพองอาการยุบเท่านะั้นแล้วก็ถามอีกว่าการการสอนการกําหนดกายเข้าใจดีมาก ง่ายต่อการปฏิบัติใครขอความกรุณาช่วยแนะนำช่วยสอนให้กำหนดเวทนาจิตและธรรมให้ได้ด้วยให้ง่ายหรือให้ได้ เ, เดี๋ยวกำลังคิดจะบรรยายเรื่องเวทนาอยู่ในวันนี้วันนี้จะพูดถึงเรื่องเวทนาการรู้ในอิริยาบทในความหมายของท่านจากจิตรู้ หมายถึงจิตจิตคิดใช่ไม้มจิตคิดเอารู้สึกเอาอย่างใดหรือทั้งสองอย่างจะหลับตาหรือลืมตาหรือลืมตาก็เป็นแค่นั้นนะอันนี้ถามว่าการรู้ในอิริยาบทเนี่ยในความหมายของท่า น, นจากจิตรู้หมายถึงจิตคิดเอารู้สึกเอาอย่างใดหรือทั้งสองอย่าง รู้ไ ด, จดจ้จิตน่ะรู้ได้จิตนะรู้ได้จิตจิตคิดถึงนะถ้าเราพูดเป็นภาษา้ง่ายก็คือจิตคิดถึงแต่ท่านไม่นิยมใช้คํานี้นะท่านใช้คําว่าละลึกถึงเป็นเป็นการละลึกถึงละลึกถึงด้วยสติแล้วก็จิตเป็นผู้รู้นะละลึกถึงกายในอาการกิริยาอาการต่าง ไม่ได้รู้ทางตานะไม่ได้ดูเอาทางตาแต่ใช้การรู้สึกเอาเวลากาหนดเนี่ยใช้ใจใจเข้าไปรับรู้ด้วยการอาศัยสติระลึกถึงก่อนพอสติระลึกถึงแล้วใจก็รับรู้รู้กายเนี่ยท่านบอกว่าให้เรารู้ที่อาการกิริยาอาการอาการกิริยาอาการของกายนะ กายของเราเนี่ยจะมีอาการปรากฏท น, นี้อาการปรากฏของกายเนี่ยปรากฏในลักษณะอย่างไรอ่ะหมายถึงกายในอริยาบทนะอริยาบทสี่ประการหรืออริยาบทย่อยๆในในสมปัจจัยแบบพระเนี่ยคือการรู้กายเนี่ยเข้าไปรู้ในลักษณะท่าทางลักษณะท่าทางของกายที่ปรากฏอยู่ในอริยาบทใหญ่ๆก็จะมีลักษณะท่าทางคือ กายนั่งเป็นลักษณะท่าทางอย่างหนึ่งกายยืนเป็นลักษณะท่าทางอย่างหนึ่งกายเดินก็เป็นลักษณะท่าทางอย่างหนึ่งกายนอนอยู่ก็เป็นลักษณะท่าทางอย่างหนึ่งเขาไปรู้ในลักษณะท่าทางอากับคิริยาอาการของกายที่ปรากฏอยู่ในอริยาบทสีประกาศเนี่ยทีนี้กายจะไปปรากฏอยู่ในท่าท่านั่งท่ายืนท่าเดิน หรือท่านอนเนี่ยก็จะต้องมีมีจุดเริ่มต้นของอาการแต่ละอาการเนี่ยอย่างนั่งเนี่ยเริ่มต้นจากไหนการนั่งเนี่ยนั่งมาจากอะไรนั่งเนี่ยการนั่งเนี่ยท่านบอกว่ามาได้ทั้งสาอิริยาบถจากนอนไปสู่นั่งจากยืนไปสู่นั่งจากเดินแล้วไปสู่นั่ง ทมไมจึงนับได้สามอิริยาบถเพราะนับตามจิตคิดนั่งโยแล้วก็จะไปสูอิริยาบถอื่นก็ได้นะี่ยคราวนี้ขอภัยนะเดินอยู่แล้วคิดว่าจะนั่งกายนั่งก็มาจากเดินยืนอยู่แล้วคิดจะนั่งกายนั่งก็มาจากยืนนอนอยู่แล้วคิดจะนั่งกายนั่งก็มาจากนอนท่านท่านนับอิริยาบถตามจิตคิด จิต ค, คิดปรารถนาในอิริยาบถใดอาการนั่งก็จะเปลี่ยนจากจากอิริยาบถ ท, ทั้งสามไปสู่อิริยาบถนั่งเราก็เริ่มต้นอย่างไหนอะถ้ายืนอยู่ก็ระ ล, ลึกถึงกายที่กำลังยืนทั้งหมดแล้วกายก็จะเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนมีการย่อลงมีการขยับมีการคู่มีการก้มจนกระทั่งไปนั่ง นั่งลงเรียบร้อยเริ่มรู้ตั้งแต่ตอนไหนเริ่มรู้ตั้งแต่การย่อลง mm. การขยับเริมต้นจากตรง น, นั้นน่ะทำไมจึงเริ่มต้นจากนั้นเพราะกายนั่งเริ่มทําไม่มีอาการนั้นนั่งไม่ได้นะเราจะนั่งไม่ได้อาการที่เกิดขึ้นครั้งแรกจึงเป็นนับเป็นกายนั่งเป็นอาการของกายนั่งปรากฏอาการของการนั่งเริ่มมาจากตรง น, นั้นกายยืนก็เหมือนกันกายเดินก็เหมือนกันกายนอนก็เหมือนกัน รู้ด้วยอะไรอ่ะรู้รู้ด้วยใจนี่ปัญหาของผู้ปฏิบัติเนี่ยนะบางทีเรายังไม่เข้าใจคำว่ารู้สึกเนี่ยปัญหาอยู่ตรงนี้ที่เจอทั่วๆไปเนี่ยคำว่ารู้สึกคืออะไรเนี่ยเราเราไม่รู้หาความรู้สึกเนี่ยหาไม่เจอไม่รู้ว่าอะไรคือความรู้สึกทำอย่างไรจึงจึงจึงจะรู้สึกเนี่ยไม่เข้าใจคำว่ารู้บอกว่ากำหนดรู้กาหนดรู้เราก็ไม่รู้ว่ากำหนดอย่างไร ทำไมจึงไม่รู้เพราะไม่รู้ว่ารู้คืออะไรคำว่ารู้สึกเนี่ยท่านไม่ได้เอามากมายอะไรอ่ะคำรู้สึกเนี่ยเย็นได้กระทบกายบ้างไหมในขณะนี้มีไหมเย็นเย็นมากระทบกายบ้างไหมทําไมจึงรู้ว่ามีเย็นเย็นกระทบนั่นแหละคือรู้สึกแล้วเข้าใจไหมที่เรารู้ว่าเย็นนั่นแหละคือรู้สึกเอาขนาดนั้นเนี่ยไม่ไดเอามากมายอะไรร้อนมีมากระทบกายบ้างไหม ทำไมรู้ว่าร้อนนั่นเอารู้ขนาดนั้นเนี่ยไม่ไดเอามากมายคที่บอกว่ารู้สึกก็เข้าไปรู้อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้รู้มากมายอ่ะเราบางทีเราต้องไปบอกว่าเย็นหรอร้อนหรอไม่จําเป็นต้องบอกอ่ะไอ้ภาษาบอกเนี่ยเขาบอกบอกในลักษณะที่ไม่รู้คือคนไม่รู้ว่าไอ้นี่คือแก้วยกขึ้นมาเนี่ยไม่รู้จักว่าแก้วเราก็บอกสักครั้งหนึ่งนี่แก้วนะแต่ต่อมายกอกีก ก็บอกอีกอันนี้คือแก้วนะต่อมาก็ยกอีกอันนี้คือแก้วนะเนี่ยจำเป็นต้องบอกเรื่อยไหมแบบเนี้ยไม่จําเป็นต้องบอกบอกครั้งเดียวก็รู้แหละจบแล้วเราไม่จําเป็นต้องบอกอันอย่างเนี้ยเขาเรียกว่ายกออย่างนี้เรียกว่าวางสื่อให้รู้ว่านี่คือยกนี่คือวางแล้วจาเป็นต้องบอกไหมอย่างนี้เรียกว่ายกนะอย่างนี้เรียกว่าวางนะถามว่าจําเป็นต้องบอกซ้ําๆซักซากไหรู้อย่างนี้ก็คือรู้ยกรู้อย่างนี้ก็คือรู้วางไม่จําเป็นต้องบอกแล้วเพียงแต่รู้อย่างเนี้ยก็รู้อาการยก รู้อย่างนี้ก็คือรู้อาการว่ารู้จริงๆท่านไม่ได้ให้เรารู้ยกรู้ว่างแต่รู้จริงๆคือรู้อาการของกายที่ไปอย่างนี้อาการของกายที่ไปอย่างนี้อาการของกายที่ไปอย่างนี้ท่านต้องการให้เรารู้เท่านี้รู้อาการกิริยาอาการของกายไม่ใช่ไปรู้โดยสำคัญมั่นหมายว่าคืออะไรอะไรแต่เราใช้ภาษาเนี่ยมาสื่อเพื่อให้รู้ครั้งแรก หรือแม้แต่บางครั้งเนี่ยท่านก็มีการกําหนดย้ำๆบอกอยู่เรื่อยๆว่ากายกายกายคือย้ําจะให้เรารู้ว่านี่คือกายนี่คือกายนี่คือกายแต่จริงๆเรารู้ครั้งเดียวก็พอว่านี่เขาเรียกว่ากายแล้วครั้งต่อไปเราไม่ต้องบอกแล้วเพราะเรารู้อยู่แก่ใจว่านี่คือกายในสายวิปัสสนาท่านใช้คําว่ารูปท่านก็จะย้ํานามว่ารูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนก็รูปอย่างเนี้ยเรียกว่ารูปนั่ง พี่เดินไปเนี่ยเรียกรูปเดินรู้ว่านี่คือรูปแล้วก็ไม่จําเป็นต้องบอกอีกว่ารูปเพราะรูปตรงนิ้วคือรูปรูกเลยก่อนหลับพระเจ้าให้หลับโดยอาการมีสติไอทำว่าหลับโดยอาการมีสติก็คือก่อนหลับตั้งใจไว้ว่าตื่นขึ้นมาจะเจริญสติทันทีทำไมให้เราทํำตามรู้สึกว่าการหลับไปในครั้งนี้ตื่นขึ้นมาเราจะเจริญสติทันที พอตื่นขึ้นมาเจริญสติทันทีเนี่ยเราก็มาดูว่าระหว่างความรู้สึกกับระหว่างกายเนี่ยอันไหนปรากฏกับจิตเราชัดเจนมากที่สุดถ้าความรู้สึกชัดเจนก็ระลึกถึงจิตถ้าความรู้สึกไม่ชัดเจนก็ระลึกถึงกายเราก็ดูว่ากายเนี่ยรู้สึกขึ้นมากายอยู่ในท่าไหนกับวันนี้นะร่างกายของเราเนี่ยนอนอยู่ในท่าไหนา แล้วต่อจากนั้นก็รู้ว่ากายส่วนไหนขยับก่อนเป็นอิยาบทย่อยนะเพราะยังไม่ได้ลุกขึ้นเนี่ยยังไม่ได้เปลี่ยนไปเป็อิยาบทใหญ่หนาแน่นเป็นอิยาบทย่อยมีการโครมีการเหยียดมีการบิดมีการขยับมือขยับเท้ามีการอองอตัวเหยียดตัวอะไรต่างๆเนี่ยเรารู้ หรือสามารถรู้รู้สึกขึ้นมาแล้วเนี่ยลืมตาอยู่หรือหลับตาอยู่เคยสังเกตไหมตอนที่เรารู้สึกมาเนี่ยเราลืมตาอยู่หรือหลับตาอยู่อยู่ในระหว่างลืมตาหรือหลับตาไม่รู้เลยใช่ไหมลองสังเกตดูพวกนี้นะถ้าเรายังหลับตาอยู่ขยับตาลืมขึ้นก็รู้อาการขยับตาเนี่ยเปลือกตาเลิกขึ้นรู้เนี่ยรู้อาการนั้น ถ้ารู้ได้อย่างนี้นะรู้ได้ละเอียดละออยอย่างนี้สตรก้าวหน้านะปัญญาเกิดจิตจะไม่มีโอกาสแว็บออกไปข้างนอกเลยนะจิตจะไม่มีโอกาสหวนกลับไปหาอาดีตหรือปลารดถึงอนาคตจิตอยู่กับปัจจุบันตลอดแล้วต่อจากนั้นเนี่ยจิตคิดอย่างไรต่อก็ดูจิตจิตคิดจะลุกขึ้นจิตคิดจะไปห้องน้ำ จิตคิดจะลางหน้าจิต ค, คิดจะแปลงพันอะไรต่างๆกายก็เป็นไปตามแหละบวนการของกายก็เริ่มไปนะแล้วก็ดูกายตลอดลุกขึ้นก็รู้เดินไปก็รู้เข้าห้องน้ํารู้มือจับลูกบิดประตูรู้รู้ทุกทุกอาการอนะจนกระทั่งเข้าไปสู่ห้องน้ําทําธารกิจล้างหน้าแปลงพันถ่ายอุจจระถ่ายปัสสาวะกาหนดหมดเลย อุจาระปัสสาวะกัมเมสัมปชันนากาลีโหติพระองค์ทรงสแสดงไว้การถ่ายอุจจาระการถ่ายปัสสาวะให้กระทาความรู้สึกตัวโทษพร้อมไม่วางเว้นเลยแล้วก็มีสัมปชัญญะสี่ประการนะก่อนที่จะลุกจากที่นอนเนี่ยสัมผัสสี่ประการจะเกิดก่อนลุกขึ้นจะมีสัมปชัญญะสองอย่างแล้วก็กําลังดําเนินไปจะมีสัมปชัญญะอีกสองอย่าง สติสมปชัญญะเนี่ยที่ที่ในนักธรรมท่านอธิบายง่ายๆนะการระลึกก่อนทําก่อนพูดก่อนคิดท่านบอกําลังทํากําลังพูดกําลังคิดมันมีทั้งก่อนและกําลังสองอย่างอย่างจะยกมือเนี่ยก่อนยกมือมีสมปัญญะสองชนิดศาสตระสมปชัญญะและปายะสมปัญญะกําลังยกมือก็มีอีกสองชนิด โจร ส, ญญญ ส, มมสัมปัญญะและอาศัมโมหะสัมปัญชะนั้นถ้าสัมปัญญะเกิดขึ้นได้สี่ประการตลอดทุกอิริยาบถทุทอกอักขรยาการเนี่ยแสดงว่าจิตของเราเนี่ยพัฒนาไปมากพัฒนาไปมากจะสามารถรู้เท่าทันในอารมณ์ต่างๆในอกักขรยาการต่างๆจะทําให้เกิดประโยชน์ทําให้ไปรู้ถึงสรพพธรรมตามความเป็นจริง รู้การเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ตัดไปจะเข้าไปรู้จุดจุดนั้นทะลุภาพสิ่งต่างๆเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ดับไปก็เรียกว่าวิปัสนาปัญญาแตยังไม่เห็นการเกิดขึ้นตั้งอยู่แต่ดับไปก็เป็นสัมพัชัญญาเนี่ยสติสัมพัชัญญาเนี่ยพัฒนาให้มากครับในสัมพัชัญญะทั้งสี่ประการเนี่ยเอาไปใช้นะในชีวิตประจําวันการอาบน้ําการล้างหน้าการแปรงฟันอะไรต่างๆทั้งหมดใช้ แล้วก็เกี่ยวกับการพูดเกี่ยวกับการนิ่งเข้ามาช้าอิดเกี่ยวกับการพูดของเราเนี่ยจะดีนะคือเราสัมรวมสัมรวมไม่ไม่ใช้เวลาคือไม่ไปคุยกันแต่ถ้าไปปฏิบัติภายนอกทั่วๆ่วไปตามวัดวาอารามเนี่ยบางทีเราห้ามคนไม่อยู่เหมือนกันคนจะคุยกันตลอดมาอย่างนี้ท่านทั้งหลายตั้งใจมา แล้วก็ตั้งใจสํารวมต่างคนต่างสํารว ม, ต, ม, รวมต่างคนต่างสองบอลต่างคนต่างเรามัดระวังเมื่อเราระวังมากเราสํารวมมากเราเจริญสติมากก็เกิดผลมากแก่ตัวเราสมมาก็นํานําเอามาเสริมนะนำเอามาเสริมนําเอาสัมปชัญญะมาเสริมนะเพราะว่าวันนั้นได้ปรารถกับท่านพระอาจารย์ว่าให้ท่านปรารถถึงเรื่องสัมปชัญญะบัพพะหากคิดจะเปลี่ยนอิริยาบทนะ นั่งเป็นเดินแต่สุดท้ายก็ไม่ได้เปลี่ยนและอวัยวะอื่นๆก็ไม่ได้เคลื่อนไหวยังเป็นอริยาบทนั่งอยู่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนอริยาบทหรือไม่ไม่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนถ้าจะเปลี่ยนต้องจิตคิดจะเปลี่ยนพอจิตคิดจะเปลี่ยนแล้วกายได้เปลี่ยนเมื่อจิตคิดจะเปลี่ยนแล้วอยู่ต่อมาไม่เปลี่ยน ที่เราไม่เปลี่ยนเพราะมีจิตคิดไม่เปลี่ยนจึงอยู่ในท่าเจ่าก็ายังถือว่าเป็นอริยาบทเดิมอยู่ยังยังไม่มีการเปลี่ยนอริยาบทนะดังนั้นก็เป็นอริยาบทเดิมจริงๆคาว่าอริยาบทเนี่ยเป็นการใช้สื่อนั้นเองสื่อร้องเรียกเพื่อพูดกันให้เข้าใจแต่จริงๆแล้วการเข้าไปกํำหนดดูเนี่ยจะเป็นอริยาบทใดก็ได้ ท่านต้องการให้เราตามรู้อาการนั้นๆอาการนั้นๆที่ปรากฏอยู่ที่เราสมมุติกันว่าเดินที่เราร้องเรียกกันว่าเดินเราร้องเรียกกันว่ายืนเรารองเรียกกันว่านั่งเรารองเรียกกันว่านอนไม่ใช่ไปกําหนดรู้ว่าเดินว่ายืนว่านั่งว่านอนน่ะแต่การเข้าไปกําหนดรู้ให้กําหนดรู้กายที่เดินที่ยืนที่นั่งที่นอน รู้กาย e ที่กำลังเดินรู้กายที่กำลังยืนรู้กายที่กำลังนั่งรู้กายที่กำลังนอนรู้กายไม่ใช่รู้ว่าเดินยืนนั่งนอนะั้นประเด็นหลักที่สำคัญก็คือเข้าไปรู้กายที่อยู่ในอาการนั้นๆท่านต้องการให้เรารู้แบบนี้ท่านนั่นเองเวลารู้เนี่ยไม่ใช่ไปรู้ว่าตรงนี้เรียกว่าเดินเรียกว่ายืนเรียกว่านั่งบางทีเราไปใส่ใจตรงนี้เลยผิดประเด็นไต แต่ใจตรงนี้ไม่เห็นไตรลักษณ์นะยังไม่เห็นไตรลักษณ์ปัญญาไม่เกิดน่แต่ใส่ใจกายที่กําลังปรากฏอยู่เนี่ยเพราะว่ากายเนี่ยเขาเป็นปรมาจาย์กายที่เราเข้าไปกําหนดเนี่ยนะเป็นเป็นรูปปรมาจารย์กายเนี่ยเป็นกายายัตนะเป็นรูปปรมัตา์มีการเกิดมีการดับนั้นเราเข้าไปกําหนดกายเนี่ยเราเราจะทําให้สติปัญญาเกิดหากเกิดอารมณ์โกรธขึ้นมาแล้วค่อยๆ ค, ค, คลายความโกรธ ทายความโกรธลงจนรู้สึกเฉยเฉยจะเหมือนกับการเปลี่ยนอุปยาบทจากนั่งเป็นเดินหรือไม่หลักการกําหนดอย่างเดียวกันหรือไม่กําหนดความรู้สึกนะให้กําหนดความรูส้รสึกเวลาเกิดความรู้สึกโกรธโกรธเนี่ยเป็นความรู้สึกความรู้สึกขัดใจไอ้โกรธที่เกิดขึ้นข้างในเนี่ยเรารู้รู้ใจของเราดีใช่ไหมเวลาเราโกรธเนี่ยเรารู้ใจของเราดีว่าเราโกรธท่านให้เราตามรู้ใจ ความรู้สึกที่เกิดอาการรู้สึกขัดใจตรงนั้นเนี่ยไปดูสภาพความรู้สึกขัดใจที่เกิดขึ้นใส่ใจดูพอเราก็ไปใส่ใจดูเนี่ยความรู้สึกขัดใจเขาก็จะหมดไปทำไมจึงหมดเน่ะเพราะเวลาขัดใจเนี่ยใจไปคิดถึงใครคนหนึ่งที่เราไม่ชอบใจหรือใจไปคิดถึงอะไรอย่างหนึ่งที่เราไม่ชอบใจ เราจึงรู้สึกขัดใจพอเราเกิดควารู้สึกขัดใจรู้สึกโกรธเราย้อนกลับมาดูใจที่กําลังโกรธกําลังขัดใจชื่อว่าทิ้งสิ่งสิ่งนั้นแล้วพอทิ้งสิ่งสิ่งนั้นใจของเราก็เลยหยุดโกรธโกรธเกิดจากการดําริถึงสิ่งใดหึงห้ามใจไม่ดําริถึงสิ่งสิ่งนั้นตรงกันข้ามระเกิดขึ้นจากการดําริถึงสิ่งใด พึงห้ามใจจากการดั่งิดถึงสิ่งนั้นรักจะไม่เกิดชังจะไม่เกิดนะตรงนี้ท่านให้เรากําหนดคราวนี้ถ้าเปลี่ยนมาเป็นรู้สึกเฉยๆเราจะทําอย่างไรก็ต้องกําหนดความรู้สึกเฉยๆต่อพวรู้สึกเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนยีจากจิตมีโทสะมีปฏิฆะพอกํากหนดรู้ปฏิฆะลดลงโทสะลดลงหายไปไอ้ที่หายไปเนี่ยนะเรียกว่าจิตปราศจากโทสะ ท่านให้เรากำหนดรู้อีกเมื่อจิตมีโทสะเราก็รู้เมื่อจิตที่มีโทสะหมดไปหายไปกลายเป็นจิตรปราบสจากโทสะก็กำหนดรู้นั่นจะเป็นจิตมีโทสะและจิตรปราบจักโทสะทั้งสองชนิดนำเอามาเป็นอารมณ์ของสติได้เหมือนกันนะเป็นอารมณ์ของสติได้พอๆกันนะตรงนี้การนั่งสมาธินอกจากนั่งพับเทียบนั่งขัดสมาธิแล้ว ถาหากอยู่ในที่ละโหฐานเราสามารถนั่งเหยียดเท้าตรงๆได้ไหมนั่งอย่างไรก็ได้การเจริญสติปัฏฐานนั่งหกขเมนตีลังก า, ก, าก็แล้วแต่นะแต่อยู่ในที่สาธารณชนเนี่ยไม่เหมาะเราอยู่ตามลําพังในห้องของเราเราจะนั่งท่าไหนก็ได้นั่งท่าไหนรู้กายที่ปรากฏอยู่ในท่านั้นเพราะพระเจ้าท่านไม่ได้ระบุนะว่าจะต้องนั่งอย่างนี้ต้องยืนอย่างนี้ต้องเดินอย่างนี้ต้องนอนอย่างนี้ไม่ได้ระบุไว้ เวลาเจริญวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเวลาเจริญสติปัฏฐานเกี่ยวกับอิยาบทเนี่ยท่านไม่ได้ระบุไว้แต่ถ้าเจริญอานาปานะบัพทาเนี่ยท่านวางและเบียบไว้ต้องนั่งคู่บันลังตั้งกายตรงดารงสติไว้เฉพาะหน้าจุดมุ่งหมายก็คือทำให้ฌ า, านใจิตเกิดการนั่งคู่บันลังเนี่ยสามารถนั่งได้นานนั่งแล้วไม่เกิดอันตรายต่อร่างกายก็เลยให้นั่งคูบัลัง แต่เวลาเจริญสติปัฏฐานในอิริยาบทบพะเนี่ยนั่งอย่างไรก็ได้นั่งเก้าอี้นั่งเหยียดเท้าหรือจะนอนในท่าไหนก็ได้แล้วแต่แต่ให้มีสติตามระลึกถึงกายที่ปรากฏอยู่ในท่านั้นๆเท่านั้นนเข้าใจไม่แบบนี้จะความปัญหาคงคงจะเข้าใจนะไม่ไม่ต้องไปกังวลใจนะนั่งแบบไหนก็ได้ยืนแบบไหนก็ได้เดินแบบไหนก็ได้นะ ถ้าหากว่าเดินจงกรมเสร็จนะกำลังนั่งลงทำสมาธิบังเอิญต้องเข้าไปทำกิจในห้องน้ำเสร็จกลับออกมาจะนั่งสมาธิต่อได้เลยหรือต้องมาเดินจงกรมใหม่อีกครั้งก่อนคออือยังยังไม่ไม่ค่อยเข้าใจแจ่มแจ้งเหมือนเดิมคือจริงๆแล้วเนี่ยการเจริญสตินะหรือการเจริญวิปัสนากรรมฐานเนี่ยทุกทอกีอิยาบท เป็นอารมณ์ของสติได้หมด